พระไตรปิฎกเล่มที่ส2องเจโตขีราสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปูสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัส ด, ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลย ที่กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูหประการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้อย่างตัดไม่ขาดแล้วเธอจักถึงความเจริญงอกงามไพยบูในธรรมวินัยนี้กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูหประการที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระาศาสดาไม่เลื่อมใสในสศาสดาในที่นี้หมายถึงไม่เชื่อว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ3าประการไม่เชื่อพระสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าที่สามารถรู้อดีตอนาคตและปัจจุบัน 2. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรมะ 3. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสงส์สเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขาคือข้อที่จะต้องศึกษา 5. เป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุสษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนปรมจารีทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้นยอมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปู่5ประการที่ภิกษุยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่ภิกษุนั้นยังตัดไม่ขาดอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 ฉันอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนในการหลับอยู่ 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาว่าด้วยศีลวัดข้อปฏิบัติตบะหรือพรหมจรรย์ น, นี้เราจะเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรที่ภิกษุนั้นยังตัดไม่ขาดภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการนี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้ยังตัดไม่ขาดแล้วเธอจักถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลา ย, ก, ลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการนั้นเมื่อภิกษุละได้คือภิกษุนั้นไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในพระาศาสดาเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์เลื่อมใสในศิกขาเป็นผู้ไม่โกรธพอใจมีจิตไม่ถูกโทสะกระทบ มีจิตไม่แข็งกระด้างในเพื่อนโกรมจารีทั้งหลายยอมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่กิเลสเครื่องตรึงจิตหยุด ต, ตะปูห้าประการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งลักได้แล้วตัดขาดแล้วเพื่อจะถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยนี้ กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่ภิกษุนั้นตัดขาดแล้วคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกามปราศจากความกำหนัดในกายปราศจากความกำหนัดในรูป ฉันอาหารตามต้องการจนอิ่มแล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการนอนเอกเนกความสุขในการหลับอยู่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาว่าด้วยศีลวัดข้อปฏิบัติตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจัดเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งจิตของภิกษุผู้นั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนือง เพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจ5้าประการที่ภิกษุผู้น้อมจิตไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนื่องเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรตัดขาดแล้วภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปูหประการนี้และอิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้ ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตัดขาดแล้วเจอจักถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมวินัยนี้อุปมาด้วยแม่ไก่ฟักไข่ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือความเพียรที่มุ่งมั่นด้วยสมาธิจากฉันทะวิริยะสมาธิประธานสังขาร จิตตะสมาธิประธานสังขารและวิมังสาสมาธิประธานนสังขารมีความเพียรยิ่งเป็นที่5ภิกษุผู้มีองค์15รวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้นั้นย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายอย่างยิ่งหมายถึงการทําลายกิเลสด้วยยานควรแก่การตรัสรู้และควรแก่ ก, การบรรลุธรรม อันเป็นแดนเกนมจากโยคะอันยอดเยี่ยมองค์15ของภิกษุ ค, คือมีการละกิเลสเครื่องปรึงจิตดุจตะปูหประการมีการตัดกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการมีอิทธิบาทสและมีความเพียรอันยิ่งหนึ่งรวมเป็น15ประการไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่นอนกบไว้อย่างดี ให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอฟักแล้วอย่างดีแม้ว่าแม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าอย่างไรขอลูกไก่เหล่านี้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดิภาพแม้ไม่ได้คิดดังนี้ก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ต้องเจาะทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดิภาพได้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีองค์ส5ห้ารวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายอย่างยิ่งควรแก่การตรัสรู้และควรแก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาค